พระเจ้าเนมิราชตรัสถามว่านายนิระยะบาลแทงข้างทั้งสองแห่งสัตว์นรกผู้ร้องไห้อยู่ด้วยถูกสรหอบและโตมอนความกลัวปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนี้แน่มาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงถูกฆ่าด้วยหอบนอนอยู่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 สัตว์เหล่านั้นเป็นผู้มีกรรมหยาบช้าทำบาปจึงถูกฆ่าด้วยหอกนอนอยู่พระเจ้าเนมิราชตรัสว่าสัตว์นรกเหล่านี้นายนิรยาบาลผูกคอไว้เพราะเหตุอะไรอีกพวกหนึ่งอันนายนิรยาบาลตัดทำให้เป็นชิ้นชิ้ น, นอนอยู่ความกลัวย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนี้แนมัตลีเทพสารถี เราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ทำบาปอะไรไว้จึงถูกทำให้เป็นชิ้นชิน้นอนอยู่มาตาลีเทศรธีทูนพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบาปทั้งหลายแต่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์นรกเหล่านี้เคยเป็นผู้ฆ่าแกะฆ่าสุกรฆ่าปลาครั้นฆ่าสัตว์ของเลี้ยงกระบือแพะแกะ แล้ววางไว้ในร้านขายเนื้อเป็นผู้มีกรรมอยากช้าทำบาปจึงถูกตัดเป็นชิ้นๆ น, นอนอยู่พระเจ้าเนมิราตรัสว่าห่วงน้ำนี้เต็มด้วยมูดและคูดมีกลิ่นเหม็นไม่สะอาดเน่าฟุ้งไปสัตว์นรกมีความหิวครอบงำก็กินมูดและคูดนั้นความกลัวปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้น แม่มาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงมีมูดและคูดเป็นอาหารมาตาลีเทพสารถีทูลพยากรณพระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์นรกเหล่าใดก็ทุกเบียดเบียนมิตรสหายเป็นต้น ตั้งมั่นอยู่ในความเบียดเบียนผู้อื่นทุกเมื่อสัตว์นรกเหล่านั้นมีกรรมหยาดช้าเป็นผ่านประทุสร้ายมิตรกระทำบาปจึงต้องกินมูดและคูดพระเจ้าเนมิราชตรัสว่าห่วงน้ำนี้เต็มด้วยเลือดและหนองมีกลิ่นเหม็นไม่สะอาดเน่าฟุ้งไปสัตว์นรกถูกความร้อนแผดเผาแล้วย่อมดื่มเลือดและหนองกิน ความกลัวย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแนมาตตลีเทพสารถีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทําบาปอะไรไว้จึงมีเลือดและหนองเป็นอาหารมาตตลีเทพสารถีทูลถวายพยากร พ, ก ร, พระดํารัตถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทําบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่า สัตว์นรกเหล่าใดเมื่อ ย, อยังอยู่ในมนุษยโลกข้ามารดาบิดาและพระอรหันต์ชื่อว่าต้องปารชิกในเพศคฤหัตสัตว์นรกเหล่านั้นมีกำหยาบช้าทําบาปจึงมีเลือดและหนองเป็นอาหารพระเจ้าเนมิราตรัสว่าท่านจงดูลิ้นของสัตว์นรกที่ถูกเกี่ยวด้วยเบ็ดและหนังที่ถูกถลกไปด้วยขอ สัตว์นรกย่อมดิ้นรนเหมือนปลาที่โยนบนบกดิ้นรนอยู่ฉะนั้นร้องไห้น้ำลายไหลเพราะทำอะไรความกลัวย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแน่มาตาลีเทพสารธีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงเกลื่อนเบ็ดนอนอยู่มาตาลีเทพสารธีทูลพยากรณ์พระดำรัตถาม ตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์นรกเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นมนุษย์อยู่ในตําแหน่งผู้ตีราคาให้ลดราคาซื้อขายลงจากมูลค่าจริงทำการโกงด้วยตาช่างโกงเหตุโลภทรัพย์ปกปิดไว้เหมือนคนหาปลาเอาเหยื่อปิดเบ็ดไว้การป้องกันสาหรับผู้ทาการโกง ซึ่งถูกกรรมของตนห้อมล้อมแล้วไม่มีเลยจัต n a r o เหล่านี้มีกรรมหยาบช้าทำบาปจึงมากลื่นเบ็ดนอนอยู่พระเจ้าเนมิราชตรัสว่ายิงนรกเหล่านั้นมีร่างกายแตกทั่วรูปร่างน่าเกลียดเประเปื่อนโชคด้วยเลือดและหนองเหมือนฝูงโคที่ถูกชำแหละบนที่ค่าประคองแขนทั้งสองร้องไห้ ยิงนรกเหล่านั้นจมอยู่ในแผ่นดินทุกเมือ่อภูเขาไฟลุกโผล่งลิ้งมาบทยิงนรกเหล่านั้นให้ละเอียดความกลัวปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแน่มาตรลีเทพสารถีเราขอถามท่านยิงนรกเหล่านั้นได้ทำบาปอะไรไว้จึงจมอยู่ในแผ่นดินทุกเมือ่อภูเขาไฟลุกโผล่งลิ้งมาบทยิงเหล่านั้นให้แหลกละเอียด มาตลีเทพสารถีทุนพยากร์พระดำรัตถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทาบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าหญิงนรกเหล่านั้นเป็นกุลธิดาเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกมีการงานไม่บริสุทธิ์ได้ประพฤติไม่สมควรเป็นหญิงนักเลงและสามีเสียได้คบหาชายอื่นเพราะความยินดีและการเล่นสนุกเป็นเหตุ หิงเหล่านั้นเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกนี้ยังจิตของตนให้ยินดีในชายอื่นจึงถูกผูกเขาไฟอันลุกโคงกลิ้งมาแต่สีทิศบทให้ละเอียดพระเจ้าเนมิราชตรัสว่าเพราะเหตุไรนายนิรยาบาลทั้งหลายจึงจับสัตว์นรกเหล่านี้ห้อยหัวลงโยนลงไปในนรกความกลัวย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้น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 ล่วงเกินภรรยาทั้งหลายของชายอื่นสัตว์เหล่านั้นเป็นผู้ลักพันดาอันอุดมเช่นนั้นจึงมาตกนรกเสเวยทุกขเวทนาในนรกนั้นสิ้นปีเป็นอันมากบุคคลผู้ช่วยป้องกันบุคคลผู้มักทําบาปผู้อันกรรมของตนหุ้มห่อไว้ไม่มีเลยสัตว์นรกเหล่านั้นมีกรรมอยากช้าทําบาปจึงมาตกอยู่ในนรก พระเจ้าเนมิราชตรัสว่าสัตนรกเหล่านี้ทั้งน้อยใหญ่ประกอบเหตุการณ์ต่างๆมีรูปร่างพิลึกปรากฏอยู่ในนรกความกลัวย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแน่มาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทําบาปอะไรไว้จึงได้เสเวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนมีประมาณยิ่ง มาตาลีเทศสารถีทูลพยากรพระดํารัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งจัดผู้ทําบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์เหล่าใดเมื่อยังอยู่ในมนุษยสยโลกเป็นผู้มีความเห็นชั่วช้าลงทํากรรมอันทําด้วยความคุ้นเคยและชักชวนผู้อื่นในทิฏฐิเช่นนั้นสัตว์เหล่านั้นเป็นผู้มีทิฏฐิอลามกทําบาป จึงต้องเสวยทุกเวทนาอันกล้าแข็งเพ็ดร้อนมีประมาณยิ่งมาตาลีเทพสารธีทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์ทรงทราบสถานที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้มีกรรมหยาบชา้าและทรงทราบคติของเหล่าสัตว์ผู้ทุศีลแล้วเพราะได้ทอดพระเนตรเห็นที่อยู่ของเหล่าสัตว์นรกผู้มีกรรมอลามก ข้าแต่พระราชาผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่บัดนี้ขอพระองค์เสด็จขึ้นไปในสำนักของท้าวสักกะเทวราชเถิด